พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่46เอสุการีสูตรสูตรว่าด้วยเอสุการีพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนาวรามเอสุการีพราหม์เข้าไปเฝ้าทูลถึงเรื่องที่พวกพราหมบัญญัติการบำเรอสีประการคือหนึ่งวันณะทั้งสี่ควรบำเรอพราหมณ์สอง กษัตริย์แพทย์สูตรควรบำเรอกษัตริย์ 3. แพทย์สูตรควรบำเรอแพทย์สสูตรเท่านั้นควรบำเรอสูตรทั้งหมดหมายถึงสูงกว่าบำเรอพวกต่ำกว่าไม่ได้ในข้อนี้พระสมณะโคโดมตรัสว่าอย่างไรตรัสถามว่าทั่วโลกยอมรับรองข้อบัญญัตินี้ของพรามหรือไม่ ตอบว่าไม่รับรองจึงตรัสว่าพวกพรามบัญญัติเอาเองเหมือนบังคับคนไม่กินเนื้อให้กินเนื้อแล้วยังเรียกร้องอามูลค่าของเนื้ออีกด้วยตรัสว่าไม่ส่งกล่าวว่าควรบำเรอทุกอย่างแต่ก็ไม่ส่งกล่าวว่าไม่ควรบำเรอทุกอย่างเมื่อบำเรอแล้วเกิดความชั่วไม่เกิดความดีงามก็ไม่ควรบำเรอ เมืบำเรอแล้วเกิดความดีงามไม่เกิดความชั่วก็ควรบำเรอตรัสว่าไม่ทรงกล่าวว่าความเป็นผู้มีตระกูลสูงความเป็นผู้มีวันนะโอลานหรือความเป็นผู้มีทรัพย์มากว่าดีหรือเลวเพราะคนที่มีสกุลสูงมีวันนะโอลานคือวันนะทั้งสามยกเว้นสูตรและคนที่มีทรัพย์มากอาจทาได้ทั้งความชั่วความดี ความชั่วความดีจึงอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อยู่ที่สกุลสูงเป็นต้นเอสุการีพราหม์ทูลถึงการที่พวกพราม์บัญญัติทรับสี่ประการคือ 1. ทรัพย์ที่ดีของพรามณ์คือการเที่ยวพิกขาจานหมายถึงเที่ยวขออาหาร 2. ทรัพย์ที่ดีของกษัตริย์คือธนูและกระบอกลูกธนูส ทรัพที่ดีของแพทย์คือก ส, สิกรรมและโครกขกรรมคือการเลี้ยงโครีดนมส่ทรัพย์ที่ดีของสูตรคือการเกี่ยวหญ้าการหาบหามแต่วันณะทั้งสี่นั้นก็ดูหมิ่นทรัพย์ที่ดีไปทำกิจอันไม่สมควรคือประกอบอาชีพอื่นนอกจากอาชีพเดิมประจําวันลนะในข้อนี้พระสมณะโคดมตรัสว่าอย่างไร ตรัสตอบว่าเป็นการบัญญัติเอาเองแบบเรื่องการบำเรอแล้วตรัสว่าส่งบัญญัติโลคุตราธรรมอันประเสริฐกว่าทรัพย์ที่ดีของคนคนที่จะเรียกว่ากษัตริย์พรามแพทย์สูตรก็เพราะเกิดขึ้นในสกุลนั้นๆแล้วส่งแสดงว่าบุคคลทุกวันนะออกบวชทําตามพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเว้นความชั่ว ก็ย่อมได้บรรลุธรรมะที่ถูกต้องเสมอกันและเมื่อตรัสถามพราม์ก็ยอมรับว่าวันนาที่สี่สามารถจเจริญเมตตาจิตไปในถิ่นที่นั้นๆได้เหมือนกันอาจถือได้ถูตัวไปสนานกายได้เท่ากันอาจก่อไฟให้ติดได้เหมือนกันเอสุการีพรามทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสก